ก็วันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2565เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ได้แสดงธรรมครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นวัน6เมษายนวันที่6เมษายน พุทธศักราช 2,564 ก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือนกับหนึ่งปีกับสามเดือนด้วยกันที่ไม่ได้มีการแสดงทำ <c oughs> หน้าทีน่นี้ตอนนี้ก็หวังว่าคงจะได้แสดงทำไปเรื่อยๆตามตารางที่ได้กำหนดไว้คือจะมีการแสดง ในวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระและวันหยุดราชการวันหยุดชดเชยวันหยุดพิเศษอะไรกันนองนี้อันนี้ก็เพราะเป็นเวลาที่ญาติโยมว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าไปแสดงวันที่ญาติโยมทํางานก็จะไม่เกิดประโยชน์ก็เลยจัดให้เอาวันตามวันวันหยุดราชการวันหยุดทํางานเป็นหลัก <c oughs> ส่วนวันพระนี้ก็รักษาธรรมเนียมเดิมไว้โือธรรมเนียมเดิมนี้สมัยโบราณเราจะหยุดวันพระหยุดทำงานกันในวันพระเพื่อจะได้มีเวลาเข้าวัดเข้าวากันแต่ในปัจจุบันเราเปลี่ยนวันหยุดทำงานเราเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตามตามระบบสายคน เพราะเราเดี๋ยวนี้ต้องทำธุรกิจการค้ากับต่างประเทศเขาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันเป็นหลักเราเลยต้องย้ายจากวันพระมาหยุดวันเสาร์อาทิตย์กันแต่ทางศาสนาเราก็ยังยึดวันพระเป็นวันหยุดทำงานซึ่งอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้คนนั้นอยู่ห่างไกลจากศาสนาเพราะไม่มีเวลาเข้าวัดกัน เพราะวันพระนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานต้องไปทำงานกันก็เลยไม่ได้พาลูกหลานพาครอบครัวมาวัดมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรมจิตใจก็เริ่มเหินห่างจากศาสนาเมื่อจิตใจเหินห่างจากศาสนาจากศาสนาก็จะถูกอานาจของโมหะความหลงครอบงำ ลงให้เราไปหาความสุขจากราบยศสารเสญจากรูปเสียงกิมนรสพุทธภพชนิดต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ให้ความสุขกับพวกเราเวลาเสื่อมก็จะสร้างความทุกข์ให้กับพวกเราเราก็จะไม่รู้จักวิธี ดับความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมเหล่านี้หรือถ้าจะแก้ก็แก้โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องแก้ด้วยวิธีทาบาปต่างๆจึงทำให้สังคมเริ่มเสื่อมทางด้านจิตใจห่างไกลจากศีลธรรมห่างไกลจากธรรมะคาสอนที่จะคอยเตือนคอยสอน ให้เรานั้นรู้จักเรื่องบาปคุณคุณโทษเรื่องของความสุขความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราสังคมจึงเริ่มมีความเสือ่อมทางด้านศีลธรรมมากขึ้นตามลำดับอันนี้ก็เป็นเพราะว่าห่างไกลจากศาสนาห่างไกลจากคำสั่งคาสอนของพระพุทธ ถ้าเจ้าที่เป็นผู้รู้ความจริงของเรื่องของความสุขและความทุกข์ของจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นการฟังธรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นต่อผู้ที่อยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ห่างไกลจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราสามารถอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ได้เพราความทุกข์นี้เป็นเหมือนกองไฟเพียงแต่ว่าพวงเรามืดบอดเห็นกองกองไฟเป็นดอกบัวเห็นกงจากเป็นดอกบัวเห็นลาบยศเสรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุข พอเราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็าจะต้องเกิดความทุกเกิดความไม่สบายใจตามมาพอะลาบยศสารเสริญสุขนี้อย่างที่ได้พูดไว้ว่าเป็นของที่ไม่แน่นอนมีเจริญก็มีเสื่อมได้แต่เจริญเวลาเจริญก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาเสื่อมนี่เป็น เวลาที่เกิดปัญหาต่างๆตามมากัน mm hmm. เช่นช่วงนี้เราก็อาจจะถือว่าเราอยู่ในช่วงของความเสื่อมของลาบยศสารเสริญสุขก็ได้สำหรับคนส่วนใหญ่าะตกงานกันไม่มีงานทำกันกิจการต่างๆนั้นต้องปิดลงไป mm hmm. ก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ mm hmm. เกิดความวุ่นวายใจต่างๆสำหรับคนที่หาทางออก แก้ปัญหาโดยวิธีที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ได้ก็ต้องไปทําแก้ปัญหาโดยการทํากระทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมต่างๆทําให้ตอนนี้ปัญหาเรื่องทางอาชญากรรมนี้มีเพิ่มมากขึ้นความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตนี้ก็ลดน้อยลงไป สาเหตุก็เพราะว่าจิตใจไม่ได้มีธรรมะเป็นสิ่งที่คอยสอนคอยเตือนใจให้รู้ความจริงว่าสิ่งตา่างๆเช่นลาบยศสารเสุขนี้เป็นสิ่งที่เราเพึ่งพาอาศัยไม่ได้ตลอดเวลาเราต้องมีมาตรการคอย <c oughs> แก้ไข เวลาที่เกิดความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราอาศัยเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเช่นมีเงินทองก็ไม่ใช้แบบสุรอลุยสุรอไลเพราะต้องคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเงินทองอาจจะขาดขาดมือก็ได้รายได้อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ได้ หรือาจจะต้องตกงานก็ได้แต่ถ้าเราสำรรองเงินไว้เงินที่เราหาได้ในตอนนี้เราไม่เอาไปใช้หมดเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าพอเวลาที่เกิดปัญหาทางด้านการเงินการทองเราก็จะมีเงินสำรองไว้คอยดูแลเราต่อไปได้ทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนมากจนเกินไป น, นี่คือประโยชน์ของการมีธรรมะคอยสอนใจพวกเราให้รู้จักวิธีดำเนชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเพราะความสุขที่แท้จริงนี้ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆเช่นลาบยศสรรเสริญเป็นเครื่องมือให้ความสุขเพราะว่าเราสามารถหาความสุข จากตัวของเราเองได้ภายในตัวของเราภายในใจของเรานี้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ที่รอให้เราเข้าไปค้นหาให้เจอเท่านั้นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใจของเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นพระ อ, องค์ละส่งค้นพบในพระทัยของพระ อ, องค์เองในใจของพระ อ, องค์เอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนคําว่านิพานังปรมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นบร ม, มสุขก็คือใจนี่แหละที่เป็นนิพพานด้วยการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมองต่างๆคือกิเลสตัณหานี่ความเศร้าหมองของพวกเรานี่ความไม่สบายใจของพวกเรานี้ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกใจแต่เกิดจากกิเลสตัณหาเป็นตัวที่สร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าเรารู้จักวิธีชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจได้ใจของเราจะไม่มีความเศร้า เศร้ามองไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสีย อ, อกเสียใจเศร้า อ, อกเศร้าใจต่อไปจะมีแต่ความสุขตลอดเวลายี่ิบสี่ชั่วโมงไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่จีรังขาวอนที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จาก พระพุทธศาสนาเรียนรู้ว่าพวกเราทุกคนนีมีของดีอยู่ในตัวของเราเองของต่างๆที่เราคิดว่าดีที่เราไปหากันนั้นถ้าเปรียบเทียบกับของดีที่มีอยู่ในใจของพวกเราเนี่เยเปรียบเหมือนก้อนอิดก้อนก้อนอิดก้อนทรายข้างถนนกับก้อนเพชร ของที่มีอยู่ในใจเรานี้เป็นเหมือนก้อนเพชรเป็นเ พ, เพชรน้ำหนึ่งส่วนของต่างๆที่เราหาได้กันจากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกิตดนนี้เป็นเหมือนก้อนอีกก้อนทรายไม่มีคุณค่าราคาอะไรมากมายไม่เหมือนกับเพชรมินจินดาที่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะหายาก อันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะดีใจที่ได้มีพระพุทธศาสนามาแจ้งข่าวดีให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้ไม่มีความรู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจเวลาที่เราไม่ได้สิ่งต่างๆที่คนอื่นเขามีกันไม่ได้ราบยศสารเสริญ ไม่ได้ความสุขจากูเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะไม่ต้องมาเสียใจเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นของวิเศษอะไรเลยนอกจากไม่เป็นของวิเศษแล้วยังเป็นของที่จะมาทำลายจิตใจมาสร้างความทุกข์สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจอีกตลอดเวลาคนที่ไม่มีเนี่ย ถ้ามีธรรมะถ้าเข้าใจหลักธรรมนะจะไม่เฉาหริษยสคนที่มีกันกับสงสารคนที่มีเพราะสิ่งที่มีนั้นมันเป็นกองทุกโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวเขาคิดว่าเป็นกองสุข ม, มีเงินทองกองเท่าภูเกามียศมีตาแหน่งอันสูงส่งมีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอ มีลางวี่รางวัลอะไรต่างๆมากมายกายกองแต่เขามองไม่เห็นเวลาที่มันเสือ่อมเวลาที่เขาจะต้องมีการสูญเสียหมือมีการพลาดทาาจากสิ่งต่างๆที่เขามีเขาจะรู้สึกอย่างไรแต่สำหรับคนที่ไม่มีนี่ก็จะไม่มีความรู้สึกสูญเสียอะไรเพราะไม่มีอะไรจะสูญเสีย แล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญเสียเพราะมันเป็นของที่อยู่คู่กับใจมาตลอดเวลานี่คือเรื่องของธรรมะที่พวกเราเข้าหาเข้าศึกษากันเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความฉลาดเพื่อที่เราจะได้สร้างความสุข ที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่ใจของพวกเราตามลำดับจากการศึกษาและการปฏิบัติเพราะทาํามนี้ความสุขที่เรามีอยู่ในใจของเรานี้ก็เปรียบเหมือนกับเพชรนินจินดาที่ฝังอยู่ในดินนั่นเองจะต้องมีการทาเหมืองทาเหมืองแรกทำทำเหมือง เหมือนเพชรเนี่ยเพชรมันไม่ได้อยู่ตามข้างถนนที่จะเดินไปเก็บกันได้อย่างง่ายดายแต่ต้องขุดเจาะลึกลงเข้าไปในดินเนี่นการจะขุดเจาะลึกลงเข้าไปในดินได้ก็จำเป็นจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มีความเพียรความพยายามความอดทนที่จะใช้เครื่องมือเจาะเข้าไปค้นหา แร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าเพื่อเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์จิตใจของพวกเราก็เช่นเดียวกันมีเพชรอันประเสริฐฝังอยู่ในใจของพวกเราแต่ถูกดินคือกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชานี้ปลบเอาไว้การที่เราจะเข้าถึงเพชรอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของเราได้นี้เราจึงต้องขุดเจาะ หรือกําจัดสิ่งที่หุ้มห่อหรือกกรบเพชรอันประเสริฐนี้ này, ให้ออกไปจากใจของพวกเราคือเราต้องขุดเอาพวกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆนี้ออกไปจากใจของพวกเราให้ได้เราถึงจะได้เข้าถึงเพชรอันประเสริฐคือนิพพานที่เป็นบรมสุคนต์นี้ได้ และขั้นตอนของการที่จะเข้าถึงเพศอันประเสริฐนี้คือบรลมะสุขของพระนิพพานนี้ได้เราต้องมีขบวนการที่จะสอนเราให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติชำระวิธีสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อชำระ กิเลสปัญหาโมหะอวิชชานี้ให้หลุดออกไปจากใจให้ได้เพราะว่าเมื่อเราได้ชำระมันแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอันปเสรรขบวนการที่เราจะเข้าถึงธรรมะอันเปรฐนี้ได้นี้เราต้องผ่านขบวนการอยู่สองขอบวนการด้วยกันสองสามขบวนการด้วยกัน ทางศาสนาเราเรียกว่าปริยัตยปฏิบัตปฏิเวสปริยัตยก็คือการศึกษาวิธีที่จะหนึ่งสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาชำระกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดออกไปจากใจให้ได้ต้องศึกษาว่าเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้าง และวิธีสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไร <ừ. S 1> เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะได้ใช้เวลาที่เรามีอยู่นี้มาสร้างเครื่องมือที่เราจะมาใช้ในการเจาะเข้าไปในใจของเราจะเอาพวกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาออกไปจากใจให้หมดให้เหลือแต่เพชรอันประเสริฐที่อยู่ ภายในใจของพวกเราหล่านี้ให้ส่งแสงของความประเสริฐเลิศโลกส่งความสุขอันประเสริฐให้กับพวกเราได้สัมผัสรับรู้กันแอนเบื้องต้นนี้ขั้นที่หนึ่งของกระบวนการเราเรียกว่าปริยัตเป็นภาษาบาลีแปลก็แปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองศึกษาว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงสอน ให้พวกเราปฏิบัติทำอะไรกันให้เรารู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าต้องปฏิบัติอะไรต้องทำอะไรและต้องใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะทำให้เรานี้สามารถเอาสิ่งต่างๆที่มันป ก, ปกคุมความสุขอันประเสริฐที่มีในใจนี้ให้มัน ออกไปจากใจให้ได้เพราะการศึกษาจึงเป็นขั้นต้นของผู้ที่ปรารถนาพระธรรมอันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนเพระาะเรายังไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้สิ่งที่หุ้มห่อหรือปกปิดความสุขอันประเสริฐนี้ให้ออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้เราก็เลยต้องมีการศึกษา วิธีการขั้นแรกเรียกว่าปริยัตหรือศึกษาการศึกษานี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันสมัยแรกๆสมัยพุทธกาลนี้ก็มีวิธีเดียวที่เขาศึกษากันก็คือการฟังคำสั่งคำสอนจากครูบาอาจารย์เรียกว่าการฟังเทศฟังธรรมเพราะว่าสมัย พุทธกาลนั้นคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักหนังสือจะไม่มีการเขียนการหนาหนังสือกันอยากจะเรียนรู้ต้องเรียนรู้จากปากของผู้รู้ mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าจ mm hmm. ึงมีธรรมเนียม mm hmm. การฟังธรรมปรากฏขึ้นมาแต่ในยุค ป, ปัจจุบันนี้เรามีการศึกษาพัฒนาการก้าวหน้าเรารู้จักอ่านรู้จักเขียนได้ ถึงแม้จะไม่มีการมาพูดมาสอนโดยตรงก็มีการบันทึกคำสอนไว้เป็นตัวอักษรไว้อยู่ในหนังสือการอ่านหนังสือธรรมะก็เป็นวิธีการวิธีหนึ่งของการศึกษาได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องฟังเทศฟังธรรมจากผู้แสดงธรรมเพียงอย่างเดียว ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปที่ที่มีการแสดงธรรมได้แต่เรามีหนังสือธรรมะดีๆเราก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านมาศึกษาได้หาความรู้ได้เหมือนกันความรู้จากหนังสือนี่ที่เป็นแหล่งเริ่มแหล่งเดิมหรือต้นฉบับของธรรมะก็รระคือพระไตรปิฎกนี่ที่พวกเรา <c oughs> สามารถศึกษากันได้ แต่อาจจะเป็นสิ่งที่ยากหน่อยเพราะว่ามีหลายเล่มด้วยกันวต่ตใจปิดกนี้มีหลายหนังสือเล่มใหญ่ๆนี่อยู่ประมาณ4ี่ิบแปดเล่มอะไรทำนองนี้นก็อาจจะรู้สึกยากต่อผู้ที่เริ่มต้นการศึกษาใหม่ๆก็มีการรวบรวมเอาคำสอนสำคัญต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมกันเป็นหลักสูตร ที่เรียกว่าหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกอันนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อหาอ่านได้จากตามวัดต่างๆที่มีสถานศึกษา <c oughs> หรือสมัยนี้ก็เรามีระบบอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ในในระบบอินเทอร์เน็ตอยากจะอ่านพระไตรปิฎกเล่มไหนอยากจะ บักสูนัก ร, รมตีโทเอกก็สามารถค้นหาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถศึกษาให้รู้ถึงวิธีการต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติถ้าเราอยากจะเข้าถึงธรรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบธรรมันประเสริฐนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดีย การไปนี้เป็นเพียงแต่เป็นการไปดอกย้าศรัท ธ, ธาความเชื่อของพวกเราว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระพุทธเจ้านี้เกิดในประเทศอินเดียตัสรมในประเทศอินเดียแสดงธรรมและอริยนิพพานคือเสด็จดับขันที่ประเทศอินเดียมีหลักมีหลักฐานประวัติศาสตร์ยืนยันให้เรารู้ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของละคร ไม่ใช่เป็นเรื่องของนิยายแต่งกันขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติตามคําสอนว่าการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี้จะไม่เป็นโมฆะอย่างแน่นอนถ้าปฏิบัติตามได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้จะได้พบกับธรรมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็น เป็นเหตุผลของผู้ที่ไปประเทศอินเดียกันไปที่สังเวชนียสถานสี่เพื่อตอกย้ำศรัทธาความเชื่อถ้าเรายังลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่การทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคุณมีประโยชน์จริงหรือไม่พระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และได้คนได้พบกับพระธรรมอันประเสริฐนี้มีจริงหรือไม่อันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าการไปสักการะสังเวชนียสถานทั้งสนี้ก็จะทำให้เกิดประโยชน์อันนี้เกิดขึ้นได้จะทำให้เรามีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนาต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเรามีความศรัทธาเชื่อมั่นอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปให้เสียเวลา <c oughs> เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมดีกว่า <c oughs> เพราะไปก็จะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ <c oughs> พราะต้องเดินทางกันไปตามที่ต่งตางๆ <c oughs> ถ้าเราอยู่ในขั้นปฏิบัติแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปสู่สถานที่เหล่านี้ก็ได้ เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างสม่าเสมออย่างต่อเนื่องจะดีกว่าเพราะการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมานี้ต้องเป็นการปฏิบัติที่ต่อเนื่องสม่าเสมอแทบจะทุกเวลานาทีเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่เราหลับไปถ้าต้องการเห็นผลในภพนี้ชาตินี้ ตามที่พรเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี <c oughs> ก็จะสามารถเข้าถึงพัฒมันประเสริฐอันนี้ได้ดังนั้นการศึกษาก็มีหลายวิธีด้วยกันก็เอาวิธีที่เราถนัด ที่เหมาะสมกับเราการศึกษาอ่านเองมันก็ดีอย่างเสี ย, สยอย่างบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ก็บางทีอ่านแล้วอ่านไม่เข้าใจแต่ก็กลับมาย้อนกลับมาอ่านได้ใหมแ่แต่ต้องใช้ความพยายามทำความเข้าใจว่ามีความหมายอย่างไรแต่ถ้าได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมนี้มันก็ดีอย่างตรงที่ว่า เวลาฟังนี้มันง่ายกว่าเวลาอ่านเวลาอ่านนี้ต้องใช้สมาธิใช้สติในการอ่านมากกว่าการฟังการฟังนี่นั่งเฉยๆฟังไปเหมือนได้ยินได้ฟังการเล่าเรื่องราวต่างๆเราฟังไปแต่ไม่ดีตรงที่ว่าช่วงไหนที่เราไม่เข้าใจมันก็จะผ่านไปเลยเราจะไม่มีเวลาที่จะกลับมาทบทวนได้เพราะว่า ผู้แสดงก็แสดงไปเรื่อยๆตามเรื่องราวต่างๆแต่ผู้ฟังนี้อาจจะเข้าใจบางตอนไม่เข้าใจบางตอนก็ได้แต่สมัยนี้ก็ดีอย่างการแสดงธรรมก็มีการบันทึกไว้ในในเทปในอะไรต่างๆเราก็สามารถย้อนกลับไปฟังใหม่ได้ถ้าเราฟังครั้งนี้แล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวกลับไปเปิดฟังใหม่ได้อีก ตอนนี้ตอนนี้ก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อต่างๆทาง YouTube ก็มีทาง Facebook ก็มีและหลังจากที่ได้แสดงเสร็จแล้วก็จะมีการเก็บเอาไว้ที่สามารถเข้าไปฟังได้ใหม่ดูได้ใหม่แต่เรื่องสำคัญเรื่องแรกที่พวกเราจะต้องทำกันก็คือศึกษาเป็นก่อน อย่าเพิ่งไปปฏิบัติโดยที่เรายังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะแทนที่จะเกิดคุณอาจจะเกิดโทษขึ้นมาได้ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเราอาจจะหลงทางได้หลงคิดว่าเป็นนุ่นเป็นนี่อย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าบางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วนั่งสมาธิแล้ว เ, เป็นบ้าไปก็มี พวกนี้รับประกันได้ว่า้อยทั้งลอยนี่จะไม่ค่อยได้ศึกษาอาจจะศึกษาไม่ลึกซึ้งอาจจะไม่กว้างขวา ง, วางแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็ใช้ความคิดปรุงแต่งของตนเองแปลสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขณะที่ปฏิบัติทำให้เห็นผิดเป็นช่อไปกลายเป็นหลงไปกเป็เรียกว่าเพี้ยนไปกลายเป็นเหมือนคนบ้าไปได้ แต่ถ้ามีการศึกษาอย่างต่อเนื่องการศึกษานี้ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งทั้งทั้งข้อไต่บิดกเราศึกษาเฉพาะส่วนที่เรากําลังปฏิบตัติแล้วก็ค่อยๆเพิ่มการศึกษาเพิ่มขึ้นไปหลังจากที่เราปฏิบัติคืบหน้าเราก็ศึกษาขั้นต่อไปว่าเราควรจะศึกษาอะไรต่อไปแล้วก็ทําไปเป็นขั้นๆนี้น รับรองได้ว่าถ้าอย่างนี้แล้วไม่มีวันเพี้ยนได้แล้วอีกอย่างถ้ามีความสงสัยก็สามารถสอบถามครูบาอาจารย์ได้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องอายอย่าไปคิดว่าการถามนี่ทําให้เราแสดงว่าเราเป็นคนโง่คนไม่ฉลาดความจริงคนถามนี่แหละเป็นคนฉลาดเพราะเป็นคนอยากรู้อยากเห็นคนใฝ่รู้ถึงต้องถามเมื่อไม่เข้าใจก็ต้องถาม เพราะธรรมะนี้เป็นสิ่งที่บางทีเราคิดไม่คิดเองไม่ได้คิดเองแล้วอาจจะเห็นเห็นผิดไปได้เห็นทางที่ดีถามเพื่อความมั่นใจดีกว่าแล้วจะได้ไม่หลงทางเรื่องการศึกษานี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเดนินการเพื่อให้เราเข้าถึงพระธรรมะเสฐที่มีอยู่ในใจของพวกเรา นั้นการศึกษาหรือการฟังธรรมนี้เราก็ต้องมาศึกษาวิธีการฟังธรรมอย่างถูกต้องว่าฟังเทศฟังธรรมอย่างไรถึงจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดการฟังธรรมนี้ท่านก็แสดงไว้ว่าจะได้รับประโยชน์อยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง ทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอเราฟังซ้มเข้าไปอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะกําจัดความลังเลสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้สจะทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะหําทให้จิตใจสงบผ่องใส เวลาฟังเทศฟังธรรมนี้เราจะได้ประโยชน์ห้าประการถ้าเราฟังอย่างถูกวิธีวิธีฟังธรรมอย่างถูกวิธีนี<ม>้ต้องฟังอย่างไรก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบนี้ผลที่จะพึงได้รับห้าประการนี้อาจจะเกิดอาจจะไม่เกิดเลยหรืออาจจะเกิดเพียงบางส่วนเท่านั้นงนั้น<ม>ต้อง ถ้าจะเอาฟังอย่างให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จริงๆนี้ควรจะฟังแบบกายวาจาใจที่สงบ ก, กายสงบเป็นอย่างไรก็อย่างที่พวกเรากำลังทำอยู่ในขณะนี้คือกายต้องนั่งเฉยๆไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆดังที่บางท่านเข้าใจผิดคิดว่าฟังทำไปแล้วทำงานไปด้วยก็ดี ดีในเชิงว่าดีกล่าไปฟังอย่างอื่นฟังละครฟังเพลงฟังการบ้านการเมืองนี้สู้ฟังธรรมดีกว่าแต่ว่าเวลาถ้าเราทางานทำอะไรอยู่เช่นล้า ง, งถ้วยล้างชามทำกับข้าวแล้วฟังธรรมไปด้วยนี้ใจเราจะแบ่งไปสองที่ต้องแบ่งมาที่งานที่เรากำลังทาอยู่แล้วก็แบ่งไปที่การฟังธรรม การฟังธรรมก็เลยจะไม่ต่อเนื่องฟังตอนนี้เราเข้าใจพอเราเป็นดูเรื่องงานที่เรากลังทำอยู่ทำที่กำลังพูดอยู่ตอนนี้ก็ผ่านไปเราก็จะไม่เข้าใจฟังแล้วก็อาจจะไม่ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องไม่ได้ไม่ได้สมาธิฏฐิหรือไม่ได้กำจัดความสงสัยที่เรามีอยู่ได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าใจของเรานี่ สลับไปสลับมากับงานที่เราทำกับการังทำอยู่เนี่ยเราต้องฟังอย่างเดียวถ้าเราต้องการได้ผลประโยชน์อย่างเต็มที่เรียกว่ากายสงบคือต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวการที่กายนั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่ทาอะไรนี้เราก็เรียกว่าศีลเพราะเวลานั่งเฉยๆนี้เราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้รักย์ เราไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีเราไม่ได้พูดปด่นเราไม่ได้ดื่มสุรายาเมาถ้าดื่มสุรายามาเรามาฟังธรรมเราจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่สามารถฟังเสียงธรรมได้อย่างต่อเ น, นื่องเอนผู้ที่จะฟังธรรมถึงมากจะมีการขอสีนก่อนอันนี้เป็นเรื่องของประเพณีไป พราะต้องก่อนจะมีการแสดงธรรมนี้ต้องมีการขอศีลก่อนแต่ความจริงแล้วไม่ต้องขอหรอกเพียงแต่ขอให้นั่งอยู่เฉยๆอย่าไปทำอะไรเท่านั้นเองก็ถือว่ามีศีลครบบริบูรนณะ์แล้วกายสงบแล้วก็วาจาก็สงบคือวาจาก็ไม่คุยกันนั่นเองเวลาเรามานั่งรวมกันนี่้องทีลราอดที่จะคุยกันไม่ได้คุยกันเรื่องนั้นคุยกันเรื่องนี้ขณะที่ฟั่งทำไป ก็เลยฟังไม่รู้เรื่องเพราะไม่รู้เรื่องเกี ge ่ยวกับเรื่องที่เรากำลังคุยกันอยู่เน้นถ้าเราต้องการที่จะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมอย่างเต hm ็มที่เราก็ต้องไม่คุยกันไม่พูดไม่คุยกันไม่ไม่ใช้วาจา ác. และประการที่สามใจของเราก็ต้องสงบคาว่าสงบนี้ก็คือไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่เราฟังให้อยู่กับธรรมที่เรากำลังฟังอยู่เพียงอย่างเดียว ถ้าจะคิดก็คิดอยู่กับเรื่องธรรมที่กำลังฟังอยู่หรือพิจารณาตามว่าท่านพูดอย่างนี้มีความหมายว่าอย่างไรเราก็พิจารณาฟังไปถ้าพิจารณาเราเข้าใจเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาถ้าไม่เข้าใจก็ปล่อยให้มันผ่านไปก่อนเพราะบางเรื่องมันอาจจะลึกลับซับซ้อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาไปพิจารณาอยู่หลายรอบ กว่จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าอย่างน้อยไม่ไปคิดเรื่องอื่นอย่างน้อยก็อยากจะได้คิดอยู่กับเรื่องที่เราเข้าใจได้อันนี้คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีในการฟังเทศฟังธรรมด้วยในการศึกษาอ่านหนังสือธรรมะก็เช่นเดียวกันต้องมีกายวาจาใจที่สงบมีกายสงบวาจาสงบก็เรียกว่าศีล มีใจที่สงบก็เรียกว่าสมาธิพอมีศีลมีสมาธิรองรับการฟังธรรมธรรมที่เข้ามาในใจก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมากลายเป็นความรู้ที่เราสามารถนำเอาไปกําจัดความโลภ ค, ความโกรธความหลงกําจัดกิเลสตัณหาความเศร้าหมองต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้นี่คือเบื้องต้น สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องวิธีศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรืออา่านหนังสือธรรมะที่ถูกต้องนี้ต้องทำด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วอันนี้ส์งทั้งห้าประการนี้จะเกิดขึ้นมาอาจจะไม่เกิดขึ้นมาพร้อมกันทั้งห้าประการก็ได้เพราะบางข้ออาจจะเป็นข้อที่ต้องใช้เวลาบ้างเช่นปัญญาความเข้าใจที่ถูกต้อง บางทีฟังแล้วครั้งแรกยังอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าฟังไปอีกครั้งอีกสองครั้งสามครั้งฟังไปบ่อยๆเข้าเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะร้องอ๋อขึ้นมาเข้าใจแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องใจเย็นๆอย่าไปคิดว่าฟังทำปั๊บแล้วจะต้องบรรลุธรรมทันทีเหมือนในสมัยพุทธกาล สมัยพุทธการนี้ยุคที่พระเจ้ทาทรงแสดงธรรมครั้ง แ, กแรกๆนี้ท่านไปแสดงกับพวกที่มีความพร้อมที่จะเข้าถึงปัญญาได้อย่างง่ายดายพวกนี้คือพวกนั่งบวชทั้งหลายที่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์มาตลอดเวลาและมีสมาธิในระดับขั้นชานรูปฌานอรูปฌานจิตตั้งนิ่งสงบด้วยอุเบกขา พอฟังธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงก็สามารถใช้ธรรมอนนั้นเข้ามาชำระกิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายใ น, ในใจของเขาได้ในขณะที่สั่งธรรมเลยทำให้เขาได้บรรลุธรรมกันในขณะที่สั่งได้เลยอันนี้เป็นพวกบัวเหนือน้ำพวกที่รอให้ได้รับแสงพาที่ก็จะบานขึ้นมาเพราะพวกนี้เขาได้ สร้างบารมีมามากมายอย่างโชคโชนเราสามารถสละลาบยศสระเสนสุขของผู้คลองเรือนไปบวชเป็นนักบวชอยู่แบบสมถะเรียบง่ายไม่แสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดผลทาพาชนิดต่างๆแสวงหาความสุขจากการทำใจให้สงบ ด้วยการจเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆพอได้ถึงขั้นขั้นที่สี่ฌานที่สี่ที่มีอุบเบกขาใจก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆได้พอได้ฟังธรรมว่าความทุกข์ต่างๆของใจนี้เกิดจากกิเลสตัณหานนี้เอง วิธีที่จะทำให้กิเลสตัณหาหมดไปก็ง่ายนิดเดียวก็คือไม่ต้องไปทำตามนั้นเองเวลาโลภอยากได้อะไรก็ไม่เอาเวลาโกรธก็ไม่โกรธระงับความโลภความโกรธความอยากได้พอระ ง, งับได้ความเศร้าหมองต่างๆก็หายไปทันทีเหลือแต่ความสงมบผ่องใสของจิตใจเป็นความสุขการประเสริฐที่ปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจทันที อันนี้ในยุคสมัยแรกๆเป็นอย่างนี้มีการฟังธรรมเพราะผู้คนที่ฟังธรรมนี่เป็นบุคคลที่มีสีงมีสมาธิพร้อมอยู่แล้วก็ได้ฟังเรื่องทางปัญญาที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องทางปัญญาของพุทธศาสนานี้ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นผู้ส่งคนพบเป็นพระองค์แรก เจ้าชายเสือ ท, ทาต้าตอนที่บวชใหม่ๆก็ยังไม่ยังไม่ได้พบกับพระธรรมอันประเสริฐนี่หลังจากไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆหลายสำนักด้วยกันท่านก็สอนให้เข้าถึงธรรระดับสมาธิเท่านั้นระดับรูปประชานะรูปปาัานแต่ยังไม่สามารถสอนให้เข้าถึงระดับปัญญาได้ปัญญาที่จะามาใชในการทาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทาใจให้ปรสศจก กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายได้เมื่อไม่มีใครสอนพระ อ, องค์เลยต้องไปศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็ได้ทรงคนพบพระอริยสัจสีขึ้นมาอริยสัจสีแสดงว่าทุกที่มีอยู่ในใจของสัว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายนี้ไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกใจแต่เกิดจากสิ่งที่มีอยู่ภายในใจ คือความยากต่างๆนี่ตัณหาหรือกิเลสตัณหานี่มีอยู่สามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเวลาเกิดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาขึ้นมานี้ใจจะเริ่มมีความหุรธเกลนำคานใจอย่างพวกเราช่วงที่มีโควิดระบาดหนะักนี่ พวกเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ส่วนใหญ่เวลาเราออกไปข้างนอกกันเราก็ไปเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากจะไปกินอยากจะไปดื่มอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปช้อปปิ้งอยากจะไปดูภาพยนตร์อยากจะไปทำอะไรต่างๆทางตาหูจะบุกนกิ้วกายพอเราถูกโควิดห้ามไว้เราเลยต้องอยู่บ้านกันพอ อ, อยู่บ้านก็เลยเกิดความรู้สึกหงุดหงิใจขึ้นมา ละความหงุดหงิดใจนี้เกิดจากความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วไม่สามารถหาได้มันก็เลยทำให้เรามีความรู้สึกรวดเกล็ดนำทานใจขึ้นมาแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปโทษโควิดว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเลยแต่ความจรงิงคนที่เขาไม่มีความอยากจะาออกไปข้างนอกนี้เขาไม่เดือดร้อนนะเพราะมีความสุขจะตายไปพระบางสำนักนี้ท่าน ปิดวัดกันเลยถ้าไม่ออกไปเลยเพราะว่าท่ทานท่านสามารถควบคุมการมาตัญหาได้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นโรโผดสะพะชนิดต่างๆได้ท่านก็เลยไม่เดือดร้อนความญหญงุดหงิดลำคาญใจไม่มีกลับมีความสงบมีความสุขนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่พทะเจ้าทรงค้นพบที่เรียกว่าเป็นเป็นอริยสัจสี่เป็นธรรมที่ ไม่มีใครจะรู้ได้ด้วยตนเองมีบุคคลฉลาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงอริยสัจสีได้ด้วยตนเองนอกนั้นแล้วต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงนานๆจึงมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแต่พอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะมีพระสาวกพระอหรหันต์ปรากฏตามขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านได้ เพราะว่าไม่ต้องไปค้นหาให้เหนื่อยยากเพราะมีผู้รู้ทาง ม, มีผู้รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรเพียงแต่สอนเพียงแต่บอกให้วิธีให้รู้วิธีเข้าถึงความรู้วันนี้ทนั้นเอง <c oughs> ก็สามารถเข้าถึงได้เลยและสามารถปฏิบัติเพื่อทำให้จิตใจนั้นสงบหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ <c oughs> ด้วยการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คือพระ อ, อริยสัจสิงห์เนี่ยยุคแรกๆตอนที่พรเจ้าทรงสแสดงธรรมนี่ก็ทรงสแสดงแต่เรื่องอริยสัจสิงห์เป็นเป็นหลักแสดงเรื่องการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ใจต่างๆและการที่จะกําจัดความทุกข์ใจเหล่านี้ก็ต้องกําจัดด้วยปัญญาปัญญาก็คือให้เห็นสิ่งต่างๆที่ ที่ต้องการที่ความอยากต้องการนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นไตรลักษณ์เป็นของที่เกิดแล้วดับไม่เป็นของจีรังถาวรเป็นของที่ไม่มีใครสามารถควบคุมบังคับให้เป็นสิ่งที่ถาวรได้รูปเสียงกลิ่นล้อนี้เราไม่สามารถบงรังคับให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาบางเวลาแทนที่จะให้ความสุขกับเรากลับให้ความทุกข์กับเรา เพราะเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามธรรมชาติของเขาพอเราไปหวังเขาให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาเปลี่ยนเวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าของต่างๆที่เราอยากได้ให้ความสุขกับเรานี้เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เราควบคุมบังคับไปสั่งให้มันแน่นอนให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เสมอไป ถ้าเราเห็นความจริงกันนี้แล้วเราก็จะได้ลัวนับความอยากได้เพราะว่าถ้าเราไปหาสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือความทุกข์ตามลำดับต่อไปตอนต้นเราจะได้ความสุขกันเพราะสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งสิ่งที่เราได้มามันไม่เป็นเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราได้มาใหม่ๆมันเปลี่ยนไปหรือมันหายไปมันจากเราไป พอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาก็สร้างความทุกข์ใจให้กับเราตามมาอันนี้ถ้าเราไม่อยากจะเจอความทุกข์เราก็ต้องห้ามใจด้วยการมองให้เห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลา ถ้าเราเห็นความจริงอันนี้แล้วเราก็จะละความอยากต่างๆได้หมดเมื่อเราละความอยากต่างๆได้หมดแล้วใจของเราก็จะไม่มีทุกข์ต่อไปถ้าตอนนี้เรารู้แล้วแต่เรายังห้ามใจไม่ได้ไม่ให้ไปอยากก็แสดงว่าเราขาดสมาธิขาดอุเบกขาเร า, า จ, จะมีปัญญาแต่เราไม่มีสมาธิต่างกับยุคสมัยพุทธกาล ยุคพุทธกาลมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาแต่พอได้รับปัญญาจากพระพุทธเจ้ามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็สามารถหยุดปัญหาความอยากทั้งหลายให้หมดไปได้แต่สมัยนี้พวกเรามีปัญญากันพวกเราฟังธรรมกันมาเยอะแล้วอริยสัจสีนี้เชื่อว่าทุกคนคงได้ยินได้ฟังจนหูฉีกแล้วรู้แล้วว่าตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับพวกเราก็คือปัญหาความอยา ก, กต่างๆแต่เราหยุดมันไม่ได้เนี่ย พราะมันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันมันเหมือนกับถ้าเป็นเทียนเจอไฟอ่อนไปหมดเลยใจอ่อนย่บไปหมดเลยสู้ไม่ไหวเ mm hmm. พราะเราไม่มีอุเบกขา mm hmm. เราจรึงต้องมาฝึกสติกันมามาพัฒนาสมาธิพัฒนาอุเบกขากันด้วยการเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสตินี้เราจะไม่สามารถที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาได้ และการที่เราจะมีเวลาเจริญสติได้เราก็ต้องไม่ต้องเราต้องไม่ไปทากิจกรรมอย่างอางื่นเ<ม>ช่นวันหยุดอย่างนี้ถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะเจริญสติเราก็ต้องไม่ไปทากิจกรรมอย่างอื่นเ<ม>ช่นไปเที่ยวไปทาธุระอะไรต่างๆ<ม>วิธีที่จะทำให้เราไม่ไปทากิจกรรมอื่นๆก็คือต้องถือศีลแปดกัน พอาะถาเราถือศีลแปดนี่ก็เป็นเหมือนเราวางกฎข้อห้ามบังคับตัวเราแล้วว่าเราจะไม่ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นศีลข้อสามเราก็ต้องไม่ไปร่วมหลับนอนกับแฟนนะแล้วก็ศีลข้อหกข้อห้าไม่ดื่มชูลาไม่ไปงานปาร์ตี้เลี้ยงฉลองวันเกิดอะไรไม่ไปไม่ดื่มชุลายาเมาไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ไม่ไปหาความสุขจากแหล่งบันเทิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังการร้องราทําเพลงอะไรต่างๆก็ไม่เอาแล้วก็ไม่เสียเวลากับ ก, การไปเสริ m สวยความงามทางร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเวลาจะไปงานออกไปข้างนอกแต่ละครั้งนี่ต้องเสียเวลามากเลยไหนต้องอาน้ําหลับถ้าทําทเผ้าทําทผมทําหน้าทำตาหาชุดหาเสื้อผ้ามาสวมใส่อะไรต่างๆ เสียเวลามากเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิก็จะไม่มีแล้วก็จะมีแต่เวลานอนเท่านั้นเกิดไปเที่ยวกลับมาก็เหนื่อยก็อยากจะนอนนอนก็อยากจะนอนบนเตียงที่สบายฟุ่งเหนหาจะได้นอนนานๆก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันถ้าเราอยากจะได้สมาธิได้อุบเบกขา ก็ที่จะได้มาใช้หยุดความอยากต่างๆนี่เราต้องเสียสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปด้วยการไปถือศีลแปหรือถ้าดีก็ไปอยู่ตามสำนักที่เขามีที่ปฏิบัติและมีข้อบังคับให้เราถือศีลแปดกันเลยให้เรามีเวลาว่างอยู่คนเดียวเพราะการจเจริญสติที่จะให้มีผลที่ดีต้องอยู่คนเดียว ต้องไม่มีใครมาคอยรบกวนใจเราถ้าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวคนนั้นก็ชวนคุยคนนี้ก็ชวนไปกินไปดืม่มอะไรกันมันก็จะไม่สามารถควบคุมควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้<ม>การจเจริญสติเป้าหมายที่แท้จริงก็คือให้เราหยุดคิดนี่เพราะถ้าเราไม่มีสตินี่เราจะคิดไปเรื่อยเปื่อยตั้งแต่ตื่นมาเนี่ยเราไม่เคยหยุดคิดกันเลย คิดเรื่องนี้แล้วก็คิดเรื่องนั้นต่อคิดเรองนูน้นเราคิดเรื่นู้นเจอคนนั้นก็คุยเรื่องนี้ต่อเวลาคุยก็ต้องใช้ความคิดกันเวลาทำอะไรก็ต้องใช้ความคิดกันจิตของเราก็เลยไม่มีสติที่จะทำให้จิตมันนิ่งได้ยัง้าเราอยากจะทาจิตให้นิ่ ง, ใ ห, งให้สงบให้มีอุเบกขาขึ้นมานี้เราจาเป็นต้องไปปปรกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในที่สงบที่ไม่มีอะไรมารบกวนเรา เราก็ไม่มีกิจกรรมอื่นๆให้เราทำนอกจากการเจริญสติยกเว้นกิจจำเป็นเช่นการรับประทานอาหารการทำความสะอาดที่พักอะไรต่างๆเหล่านี้อาบน้ำอาบท่าอะไรแต่การทำกิจกรรมเหล่านี้เราสามารถเจริญสติควบคู่ไปได้ไม่เหมือนกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องใช้ความคิดอันนี้เราไม่ต้องใช้ความคิดเราเพียงแต่ให้รู้ว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ กำลังรับประทานอาหารกำลังอาบน้ำกำลังแต่งตัวกำลังปัดกวาดถูบ้านอะไรทั้นองนี้สามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาเวลาที่มีกิจกรรมจำเป็นที่จะต้องทำเราก็สามารถที่จะเจริญสติไปได้ควบคุมกลางคิดให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ใจไปอดีตไปอนาคตเพาอใจจะเน่งจะสงบได้นี้ต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น อย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่าไปคิดถึงเหตุการณ์ที่จะมาในวันพรุ่งนี้ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่อยู่ได้สองที่ด้วยกันอยู่ที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเราคอยเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินก็ให้เฝ้าดูการเดินของเรากําลังอาบน้ําก็ให้เฝ้าดูการอาบน้ําของร่างกายกําลังรับประทานอาหารก็ให้เฝ้าดูการรับประทานอาหารทําอย่างนี้เราเรียกว่ากายกตาสติ มีกายเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เจริญของสติถ้าถ้าสติถ้าใจมีการเฝ้าดูร่างกายก็ไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นก็แสดงว่าไม่ดูร่างกายแล้ว<ม>เราอาจจะคิดว่าเราทำได้สองอย่างพร้อมกันดูไปด้วยคิดไปด้วยแต่มันดูแบบไปไ ป, ไปมามาสลับไปสลับมาใจใจหนึ่งคิดใจหนึ่งดูใจเลยแตกแยกเป็นสองใจขึ้นมา ก็จะไม่ทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งได้ถ้าอยากจะให้ใจรวมเป็นหนึ่งให้สงบเนี่งได้ต้องอยู่กับเรื่องเดียวต้องอยู่กับร่างกายถ้าเราไม่ถนัดที่จะเฝ้าดูร่างกายเราจะใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธแทนก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าพุทธานุสติใช้พุทโธคือใช้พระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่เจริญของสติก็ได้อันนี้คือช่วงที่เราทาภารกิจมีการเคลื่อนไหวต่าง ใช้ได้สองรูปแบบจะใช้พุโทโธไปก็ได้หรือจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปก็ได้แต่เวลาเรานั่งนี้ถ้าเราใช้กายะกะตาสติเราก็เปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกแทนเพราะตอนที่เรานั่งเฉยๆนี้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่มีอะไรให้ดูก็มีแต่ลมหายใจที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออก mm hmm. ก็ดูที่ปลายจมูกโดยที่ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก พอเราต้องการให้ใจนิ่งถ้าตามลมเข้าลมออกใจจะไม่นิ่งใจยังต้องเคลื่อนไหวตามลมอยู่ถ้าอยากจะให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธินี้ต้องอยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าออกคือปลายจ ม, มูกให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นเพียงอย่างเดียวแล้วอย่าให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำได้ใจจะเข้าสู่การสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแต่ส่วนใหญ่เรามักจะทากันไม่ค่อยได้กัน อาจจะดูได้แค่สองสามวินาทีเดี๋ยวแวบไปแล้ ว, เ ด, วเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรมาก็คิดตามเสียงนั้นไปแล้วเวลามีอะไรมากระทบกับร่างกายนิดคันตรงนั้นนิดก็ไปแล้วอยากจะเกาแล้วอันนี้เราต้องอย่าไปสนใจให้รีบกลับมาที่ลมหายใจหรือกลับมาพุทโธถ้าเราไม่ใช่การดูลมหายใจก็ใช้พุทโธแทนก็ได้ ไม่ต้องใช้สองอย่างควบคุมกันก็ได้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ใช้คาบริการพูดโทยอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องดูลมก็ได้แต่าสาหรับบางท่านท่านอยากจะใช้ทั้งสองอย่างควบคุมไปด้วยควบคู่กันไปก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นความถนัดของของเราเราอยากจะดูลมแล้วก็ว่าพุทธลมเข้าก็าว่าพุทลมออกเขว่าโทอันนี้ก็ทำได้เหมือนกัน งั้นมันไม่ใช่มีวิธีเดียวตายตัวการฝึกสมาธินี่มีหลากหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ที่ใช้กันทั่วไปก็มีอยู่สองสาวิธีนี้ดูลมหายใจเข้าออเรียกว่าอาณาปนสติแล้วก็บริกรรมพุทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติหรือดูลมเข้าลมออกหรือถ้าดูที่ทองยุบหนอพองหนออันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอาณาปนสติอยู่ พอเวลาลมเข้าท้องก็พุคองออกมาเวลาหายใจออกไปลมออกไปท้องก็ยุบเข้าไปอันนี้ก็เรียกว่ายุบหนอพองหนาแต่ก็เป็นอานาปานาสติเหมือนกันแต่เวลาทํานี้คุณจะเลือกเอาที่ใดที่หนึ่งอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะการเปลี่ยนนี้เป็นการเคลื่อนไหวของใจจะทําทให้ใจไม่นิ่งงนั้นต้องให้มันนิ่งให้มันอยู่กับที่เดียวให้ได้แต่ในเบื้องต้นบางทีถ้าสติเรายังมีกําลังอ่อน เวลาเราเริ่มนั่งสมาธิแล้วไม่สามารถดูลมได้เพราะยังใจ ย, ยังฟุ้งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็อาจจะใช้การสวดมนต์บรรับความฟุ้งก่อนก็ได้สวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงก็ได้นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินี้ไปก็ได้แล้วก็สวดไปภายในใจสวดลิทิปิโสไปก็ได้ถ้าสวดถ้าจำได้สวดหลายๆรอบสวดไปจนกว่ารู้สึกใจนิ่งใจสบายแล้วอยลองมาดูลมต่อไป อันนี้เปลี่ยนขั้นขนขั้นตอนอย่างนี้ทำได้เลยแต่ถ้าดูมลมอย่าอย่าไปเปลี่ยนยกเว้นว่าถ้าดูลมไปสักพักแเ้าเกิดเวทนาเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาตามร่างกายแล้วไม่มีสติพอที่จะดูลมต่อได้อันนี้ท่านก็ให้ใช้คำบริกรรมมาช่วยก็ได้พอใจมันจะคิดแต่ความเจ็บอยากให้ความเจ็บหายมันเกิดอาการทุรนทุราย ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเร็วๆก็ได้ให้ทีๆอย่าไปคิดถึงความเจ็บของทางร่างกายไม่ต้องดูลมตอนนั้นเทงลงไปเลยให้อยู่กับคําบริกรรมเพียงอย่างเดียวไปก็ได้ถ้าสามารถอยู่กับคําบริกรรมไม้แต่ซักระยะอย่างนี้จิตก็สงบได้แล้วความเจ็บนี้บางทีก็หายไปก็ได้หรือไม่หายก็ได้ไม่หายแต่จิตใจก็จะไม่เดือดร้อนใจจะรู้สึกเฉยๆกับความเจ็บนั้น ตอนต้นรู้สึกโอ้มันทรมานทนไม่ไหวแต่พอใจสงบแล้วนี่มันรู้สึกเฉยเฉยอยู่กับมันได้จะรู้ว่าตัวที่ทรมานนั้นคือใจดิ้นความดิ้นของใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปเนื้อให้หนีหนีหายไปจากความเจ็บนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการสำหรับการฝึกสมาธิในเบื้องต้นเอามาเล่าให้ฟังแบบข้าวๆว เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรกันเพราะเรื่องปัญญานี้ที่ว่าเรามีพอกันแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความอยากต่างๆแต่เราขาดมรรคคือสมาธิเรามีปัญญาแต่เราขาดสมาธิถ้าเรามาถือศีลแปลดเราว่าฝึกสมาธิเราก็จะมีศีลสมาธิแล้วเราก็เอาปัญญาที่เราได้ศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ มาประกอบกันมาใช้เวลาเกิดความอยากเราก็หยุดมันถ้ากำลังหยุดมีไม่พอสู้มันไม่ได้ก็กลับไปฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบนิ่งนานๆนั่งสมาธินี้จิตให้สงบนานๆเวลาจิตสงบอย่าไปทำอะไรไม่ต้องไปทิจนาทางปัญญาเราต้องการให้จิตนิ่งให้นานที่สุดเพราะความนิ่งอะ่ะเป็นตัวที่จะสู้กับกิเลสได้ ถ้าจิตไม่นิ่งเราสู้มันไม่ได้ยังเวลาฝึกสมาธินี่เราต้องการความนิ่งไม่ต้องการปัญญาคนบางคนไม่เข้าใจที่ว่าพอจิตสงบปั๊บต้องให้เดินปัญญาเลยอันนี้ไม่ถูกนะเวลาจะเดินปัญญานี่ต้องเดินตอนที่ออกจากสมาธิแล้วตอนที่จิตไม่นั่งไม่นิ่งแนละ้วจิตเริ่มไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วถึงค่อยไปเจริญปัญญาได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจทำบดไหนอยู่ก็ไปเจริญได้ เช่นอนิจจังไม่เข้าใจร่างกายไม่เทียเท่ยงเป็นอย่างไงร่างกายไม่สวยงามปเป็นอย่างไรค่อยไปพิจารณาได้แต่เวลาทำสมาธินี้ห้ามเจริญปัญญาพยายามใช้สติคอยควบคุมจิตให้นิ่งไปนานๆ น, นิ่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้ยิ่งดีเพราะกำลังของอุเบกขาจะมีมากเวลาออกมานิ้ใจจะเย็นจะเฉยใครจะดา่าใครจะชมก็เฉยไม่ไปดินดีร้ายกับใครเพราะ นี่คือกําลังของกูเบกคาจะเป็นอย่างนี้เวลาจิตสงบนี้จะปราศจากความลักชังกลัวหลงไม่ยินดีร้ยายกับอะไรเราต้องการตัวนี้มาเป็นตัวที่สนับสนุนการการใช้ปัญญาสู้กับที่เบกปัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้าเรายังไม่เข้าใจทางปัญญาเราเวลาออกมาก็พิจารณาได้เช่นเราไม่เข้าใจว่าร่างกายเป็นสอสุภาพเป็นยังไง เราก็ดูอาการสาสิบสองของร่างกายว่าร่างกายนี้มันสวยงามจริงกับไม่สวยงามจริงถ้าเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความไม่สวยงามต่างๆเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆไม่ให้หล ง, ไ ม, หลงไม่ให้ลืมให้จําได้พูดง่าๆต่อไปเวลาเราเห็นร่างกายของใครเราจะเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยแล้วความอยากที่จะรักเขาชอบเขามันก็จะหายไปนี่เกิดเรื่องของปัญญา แต่ต้องทำตอนที่เราไม่ได้ทำสมาธิเวลาทำสมาธินี้ห้ามท่านเดินปัญญาให้ทำสมาธิด้วยสติอย่างเดียวใช้สติกำกับควบคุมจิตให้นิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในเบืองตอนนี้ยังไม่ต้องไปกัวงวลเรื่องปัญยามากเพราะปัญญานี้เราได้ยินได้ฟังมามากพอสมควรแล้วสิ่งที่เราขาดกันตอนนี้ก็คือสติกับสมาธิ พยายามเจริญสติสมาธิด้วยการไปปลีกวิเวกไปถือศีลแต่ไปอยู่คนเดียวตามสำนักต่างๆแล้วเราจะเห็นผลแตกต่างกันเลยพอเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วทนี้ใจเราจะไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยฟุ้งซ่านสามารถระ ง, งับความคิดความรู้สึกต่างได้เพราะเรามีสติคอยคุมมันอยู่ตลอดเวลานี่ก็คิดว่านี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เอามาฝากท่านในวันนี้เพราะว่าก็ ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมานานพอพอสมควรก็เลยเอามาพูดกันเป็นจุดเริ่มต้นของของการแสดงธรรมที่จะมีกันต่อไปอย่างต่อเนื่อง ท, ทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดราชการก็ใครว่างเวลาไหนก็มาดูได้มาฟังได้หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถดูติดตามถ่ายทอดสดได้หรือ ด, ดูย้อนหลังก็ได้ การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยาถาวะริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินางเตตานาังอุ ป, ปกัรปฏิอิธิตังปัจจิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุ สัพเพบุเรนโตสังกปาจันโทปนาวาโสยธามณิจโตติวาโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขลินาสตุมาเตขวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะ อพิวาทะนสีฤิธสนิจังวุธาปจายโนจตาโรโธรร ม, มาวะาทานติอายุวันโสุขังทาราัช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรฟังเทศแล้วไม่เข้าใจอยากจะถาม เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นก็เชิญถามได้นะเขียนข้อความส่งเข้ามาก็ได้เขใส่กระดาษหรือเข้ามาถามเองก็ได้อนี้เอาใทยก่อนเนี่ยคุณมีก่อนใช่ไหมคุณไหนด้ก่อนนะ้หวพ่อจะถามยอดก่อนไหมคะอะไรนะเอาเลยเเลอาเลยเใช่อของสดก่อนอน้ำมัสการคะ่ะหลวงพ่อ สิ่งที่เอได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดเทศเอก็พอจะเข้าใจเวลาที่เอรู้สึกโกรธเอก็พยายามทําได้ทุกๆครั้งแต่เหมือนเหมือนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปแต่พอมันเวลามันผ่านไปไอ้เรื่องที่มันเราโกรธอยู่เนี่ยมันมันสามารถกลับมาได้อีกแล้วหลวงพ่อแล้วหนูก็ยังรู้สึกเกลียดเหมือนเดิมเพราะเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธเนี่ยต้นเหตุของความโกรธคือความอยาก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทําเราก็โกรธเขาังนั้นเราต้องอย่าไปอยากอย่าไปต้องการอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่โกรธคนที่เราไม่อยากไม่ต้องการเราเคยโกรธเขาเนียเจ้าค่ะแต่คนที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่เป็นพอเขาไม่ทําล้เราก็โกรธเจ้าค่ะอ่าไมอย่าไปอยากนั่นเองเจ้าค่ะยินดีตามมีตามเกิด เขาจะหัวเดินก็โอเคเขาจะเท้าเดินก็โอเคเขาจะดีก็เรื่องของเขาเขาจะกินเหล้าก็เรื่องของเขาเขาไม่กินเหล้าไมเรื่องของเขาเาค่ะแล้วจะไม่โกรธเราจะไม่โกรธไปโกรธเพราะอยากให้เขาไม่กินเหล้าพอะเขากินเหล้าก็โกรธสิใช่ค่ะแต่คือแค่คําถามว่าตอนช่วอขณะที่เราเจอแล้วมันระงับได้แต่มันก็กลับมาอย่างเงี้ยทศแสดงว่าหนูต้นเหตุใช่ไหมคะว่าเราต้นเหตุที่ความอยากเราอยากอยากไปเปลี่ยนเขาไงพอเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็โกรธ หนูน้อยใจเสียใจเอาเจ้าค่ะหนูน้อยใจนั่นแหละเพราะเปลี่ยนเขาไม่ได้เรายังเปลี่ยนตัวเรายังไม่ได้<อ>ไปเป็นสัตเ์อย่างนีสาธุไม่คิดอย่างนี้บ้างเลยสาธุเจ้าค่ะถ้าเปลี่ยนได้พระเจ้าเปลี่ยนพวกเราเป็นพระหานเลยหมดแล้วเาสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะหลวงพ่อที่เมตตาพระเจ้าบอกให้ยินดีตามมีตามเกิดธรรมะจัดสังเงียบอะไรมาอย่างไรก็ได้ทั้งนั้น เป็นแบบประตูผู้รักษาประตูเคยเห็นก็เล่นฟุตบอลไหมมามาทางอากาศก็ได้มาทางพื้นก็ได้มาทางซ้ายก็ได้มาทางขวาก็ได้เขาก็าต้องรับได้ได้ให้หมดไงเขาถึงจะเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งเนีเราก็ต้องรับคนได้ทุกรูปแบบดีก็ได้เชื่อก็ได้ oh, <okay. S 1> เกลียดเราก็ได้ไม่ไม่ชอบเราก็ได้แข่งขันกับเราก็ได้คู่แข่งกับเราก็ได้รับเขาได้หมด สัพเพเมสัพเพซาตตาเอาเวลาโหดตุไม่มีเวรกับใครทั้งสิน้ น, นวันนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมให้ความเมตตากับทุกคนเท่าเทียมกันหมดอโอเคคำถามทางบ้านทาง Facebook, YouTube เลยกราบน้ำพรสการค่ะหลวงพ่อขออนุญาตแจ้งยอดค่ะอ่ะเฟซบุ๊กห้าร้อยสามสิบสองยูทูบ พระสุชาติไลฟ์สองร้อยหสิบแปด YouTube ดวีร2อยี่สิบสองิออนไลน์สามคลับเฮาส์สิบแปดผู้รับฟังหน้ากุติร้อยสาสิบเก้ารวมหนึ่งพันแปดสิบสองค่ ะ, อะพอสดยี่ยอะลรนะธรรมดาห้าร้อยกว่าเอาของเก่ามาสแสดงมันก็เรื่องเดียวกันนะัะทำา5เรื่องเดียวกันคนเขาไปยึดติดเขาคำว่าสดกับไม่ส ด, นสดเนี่ย คำถามจากคุณกิตนาผมเครียดมากทะเลาะกับน้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับคุยใกล้ๆหนนะ่อยนึงเสียงมันก็ยังผมเครียดมากทะเลาะกับน้องจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับต้องเมตตากับน้องสิยอมแพ้น้องอย่าไปเาชนะน้องที่เราเครียดเพราะเราอยากจะแบบชนะเขาอย่าให้เขาทำอะไรตามที่เราต้องการพระพุทธเจ้าบอกว่าเราต้องทาตัวให้ต่ากว่าเขา ทำเป็นผู้น้อยทำตัวเป็นแฉวทำตัวเป็นคนรับใช้คนรับใช้จะไม่โกรธเจ้านายเจ้านายจะด่าจะว่าไงก็รับผมครับผมอย่างเดียวขอให้ถือว่าน้องเขาเป็นเจ้านายเราก็แล้วกันเราอย่าไปเป็นเจ้านายเนะ้องพอเราไปเป็นเจ้านายไปสั่งเขาเขาไม่ทําตามเราก็โกรธนะคุณสาธากา คนไม่มีสัจจะถือว่าเป็นคนที่ผิดศีลข้อโกหกไหมคะก็เป็นคนเป็นป้อนอ่ะคนไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นคนที่ไม่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าพูดอย่างทำอย่างหนึง่งคุณรงชัย ละสักยะทิจิในพระโสดาบันซึ่งกล่าวว่ายังคงมีราคาโทสะอยู่สงสัยว่าเมื่อเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของตนอีกแล้วทําไมจึงยังมีราคะโทสะเกิดขึ้นได้ครับยังไม่เห็นความสศกโศกความไม่สวยงามของร่างกายเห็นร่างกายคนอื่นยังชอบเห็นว่าหลอ่อว่าสวยอยู่อันนี้ต้องชําระด้วยการพิจารณาอสุภะเห็นอาการสามสองของเขา เห็นเขาตอนที่เขาไปกลายเป็นซากศพถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ก็ราคาโทสะก็จะไม่มีราคาปฏิคาก็จะไม่มีคุณรัตนาหลังจากกลับจากการรักษาศีลแปดผลที่ได้รับคือจิตใจไม่ยินดียินร้ายมานานมากแล้วค่ะตอนนี้มีความสุขมากสุขจนล้นออกมาทางสีหน้าและแววตา จนคนรอบข้างทักว่าทําไมเปลี่ยนไปแบบนี้เขาเรียกว่าติดสุขใช่ไหมคะพระอาจารย์และถ้าติดสุขเราจะต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปดีคะเพื่อให้การปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งขึ้นค่ะ อ, อันนี้ไม่เรียกว่าติดสุคมันเรียกว่าสุขมันติดเรามันไม่หนีเรานะ้เมื่อก่อนนี้มันชอบหนีเราเรื่อยในชะ่ไหมเราต้องวิ่งตามสุขอยู่เรื่อยพอได้ถิงนั้นสิ่งนี้มาสุขเดียวเดียๆหายไปแล้วต้องคอยวิ่งตามสุขอยู่เรื่อย ตอนนี้เราเจอสุขแบบที่เขาไม่วิ่งหนีเราเขาอยู่กับเราเขาติดเราเขาชอบเราสุขที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่นะเป็นความสุขที่รักษาสิปแปลกผลที่ได้รับคือ <c oughs> อ่าคือเป็นเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆ <c oughs> ก็ทําให้มันมากขึ้นไปตามลําดับตอนนี้เราจะสุขกับการรักษาศีปแปลกต่อไปแล้วก็สุขกับการฝึกสมาธิให้จิตสงบให้นิ่ง ให้มีอุเบกขาแล้วก็ไปขั้นปัญญาให้สงบแบบถาวรความสงบจากสมาธิยังเป็นของชั่วคราวอยู่เวลาออกจากสมาธิสักพักหนึ่งความสุขก็หายไปได้แต่ถ้าอยากใช้ความสุขนี้อยู่กับเราไปตลอดต้องใช้ปัญญาขั้นปัญญาคุณนัธพลกระผมสังเกตว่าเมื่อพระอรหรันต์ละสังขาร จะมีแต่ละไปอย่างสงบเช่นหลวงตามหาบัวไม่มีทุรนทุรายเหมือนบุคคลทั่วไปในเรื่องเวทนาในการที่ท่านพระอรหันต์จะละสังขาร น, นั้นท่านเข้าสมาธิเข้าฌานใช้ความชำนาญเพื่อละออกจากร่างกระผมเข้าใจถูกต้องใช่ไหมครับความจริงท่านละด้วยปัญญานะคือท่านอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้โดยไม่รู้สึกทรมานใจเพราะท่านเป็นเพียงแต่รับรู้เฉย ท่านไม่มีตัณหาความอยากให้ความเจ็บปวดนั้นหายไปท่านก็ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เข้าก็ได้มีผลเท่ากันสาหรับผู้ที่หลุดพ้นแนละ้วจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องราวของทางร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับเวทนาทางร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็สามารถรับได้ทุกรูปแบบ แต่บางทีท่านก็บางทีก็ไม่อยากจะไปยุ่งท่านก็เข้าสมาธิแทนก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เข้าเพราะหนีเหมือนพวกเราที่ยังยังไม่ได้ปล่อยวางเวทนาอยู่เวลาเกิดความเจ็บปวดไม่อยากจะเจอมันก็หลบเข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกมาพอเจอมันก็ทุกวุ่นวายใจแต่สําหรับผู้ที่ฝึกให้อยู่กับความเจ็บปวดได้แล้วจะไม่ต้องหนีความเจ็บปวดจะยินดีต้อนรับเสมอวอลคัมเวลามาบอกว่า ฉันรู้จักเธอแล้วเธอไม่เธอไม่ใช่ตัวปั ญ, ปญหาตัวปัญหาคือเราที่ไปลังเกียดเธอต่างหากตัวที่ไม่ไม่ต้องการความเจ็บปวดต่างหากพอเรากําจัดตัวที่ไม่ต้องการความเจ็บปวดได้แล้วเราก็อยู่กับความเจ็บปวดได้สบายไม่เดือดร้อนคุณสิริแอน หากชาติุบนี้เราเบื่อนายและมีปฏิภาณแรงกล้าไม่ขอมีบุตรมีสามีอีกเด็ดขาดความคิดนี้จะฝังอยู่ในจิตเราไปจนถึงชาติภพหน้าหรือไม่เจ้าคะไม่แน่หรอเพราะว่าถ้าเรายังไม่เห็นสุภาอยู่นี่เดี๋ยวขาวหน้าไปเจอของถูกใจเข้ามามันก็อาจจะเปลี่ยนใจได้คุณทชารี ปกติศีลแปดต้องไม่ทานหลังเที่ยงแต่เนื่องจากเราต้องทำงานเวลาพักทานข้าวคือ1 2บสถึงนาฬิกาถ้าเราทานช่วงนี้ยังถือว่าละเมิดศีลแปดใช่ไหมคะถ้าเราถือตามตามธรรมเนียมก็ถือว่าศีล ข, ข้อนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูกแต่ถ้าเราใช้หลักปัญญาหลักเหตุผลก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเรามีความจำเป็นต้องทำงานในช่วงนั้น เราก็เลื่อนเวลาไปสักชั่วโมงหนึงวิธีง่ายๆก็คือเราตั้งนาฬิกาให้มันเร็วขึ้นให้มันช้าลงไปสักชั่วโมงก็แล้วกันพอถึงเวลาบ่ายมันยังมันยังเที่ยงอยู่ะเราก็ดูนาฬิกาของเราเลยนะที่มุมหน้าเขาก็มีตั้งนาฬิกากันใหมอยู่เรืยไม่ใช่เลยเดี๋ยวพอถึงถึงหน้าหนาวเขาก็เลื่อนนาฬิกาให้มันให้มันช้าลงพอหน้าร้อนก็ตั้งให้มันเร็วขึ้น มันก็เป็นเรื่องของของความเหมาะสมเท่านั้นเองแต่เป้าหมายหลักก็คือไม่ให้กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วฉะนั้นถ้าห่างกันเพียงชั่วโมงเดียวมันคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่โดยความจริงแล้วการถือศีลแปดนี้มักจะให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานเช่มากกว่าเพราะนอกจากไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องกินข้าวหลังเที่ยงแล้วยังต้องไม่ไม่ไปหาความสุขต่างๆเพื่อจะได้เอาเวลามาปฏิบัติธรรมนั่นเอง ผู้ไม่ประสงค์ออกนามเผลอใจไปชอบคนอื่นพยายามตัดออกเพราะรู้ว่าจะวุ่นวายแต่ห้ามใจไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนด้วยค่ะก็ะถูกนะเห็นว่ามันต้องวุ่นวายเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่มันห้ามใจไม่ได้พวกขาดูเบิดขาไงมีปัญญาแล้วรู้ว่าเป็นทุกข์ก็ต้องไปฝึกสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้ได้พอใจนิ่งแล้วก็จะฝืนความอยากได้ คุณทิพย์วันตอนที่แม่ป่วยหนักเราไม่มีโอกาสดูแลแม่อย่างเต็มที่เราจะบาปมากหรือเปล่าคะทุกวันนี้ทุกใจมากเวลานึกถึงเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้บาปหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญไม่ได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้ทําบุญกับผ้าอาหารของเราแต่ไม่บาปหรอกพราะเราไม่ได้ไปทุบตีทําร้ายร่างกายของคุณแม่ถึงจะเรียกว่าบาป แม่จ๋าสามีของหนูชอบยั่วโมโหชอบทาในสิ่งต่างๆที่หนูไม่ชอบแต่หนูรู้สึกเฉยๆและไม่ตอบโต้การกระทำใดๆของเขาเขากลับยิ่งเพิ่มกำลังความยั่วโมโหมากขึ้นหนูควรจะทำอย่างไรต่อไปดีคะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะควรขอบใจเขาเพราเป็นเครื่องทดสอบเราเป็นข้อสอบของเราหรือว่าเราจะผ่านไหมถ้าผ่านนะต่อไปเราจะสบายจะไม่โกรธใครเลย นั้นถือว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหินลับมีทางปัญญาให้กับเราให้เราปล่อยวางให้เราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปบังคับเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปเทราะนั้นเองพอเราปล่อยเขาได้แล้วทีนี้เขาต่อให้เขาเต้นแรงเต้นกาทําอะไรกับเราเราก็เฉยเฉยคุณคริส ฝึกสมาธิวันละสามสิบนาทีเราจะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะมันแล้วแต่คนอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มีสูตรตายตัวมันอยู่ที่ของเก่าด้วยถ้ามีของเก่ามีเยอะปั๊บอาจจะไม่ต้องฝึกสมาธิเลยฟังธรรมปุ๊บก็บรรลุได้ก็มีแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิเลยนี่สามสิบนาทีกไ็ไม่น่าจะพอเพราะจิตต้องมีอยเบิกขาตลอดเวลาต้องวางเฉยได้ตลอดเวลา จะานทํคุณนรงชัยอุเบกขาที่เกิดในระหว่างนั่งสมาธิกับการมีอุเบกขาในชีวิตประจําวันเกี่ยวเนื่องถึงกันโดยอัตโนมัติหรือไม่ครับก็มันก็เป็นส่วนคนเราคนเราก็มีอุเบกขาในในระดับหนึ่งแตาจจะอยู่ในระดับน้อยแต่ถ้าได้ฝึกสมาธิระดับของอุเบกขาก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นไป หมดแล้วแหละโอเคหมดแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญถามได้นะเดินมาหยิบใหม่หรือจะให้ส่งใหม่ไปให้ก็ได้ถ้ายกมือขึ้นอ่ะอยากจะถามอะไรถามได้ไม่ต้องเกรงใจ mm hmm. ก็มนหลังถ้าถามที่นี่ไม่ได้ก็ติดตามทางซูมก็ได้นะคืนวันอาทิตย์กับทางคืนวันพุธนี้มีถามตอบคาถามช่วงสองทุ่ม ในช่องเฟ e บุ๊ k เนี่ยเข้าไปได้สองทุม่วมวันอาทิตย์ก็มีคุณหมอวีหมอด็อกเตอร์วีหมอวีรพันธ์เป็นผู้อ่านคำถามให้ส่วนคืนวันพุธก็เป็นการเข้าห้องซูมเราสามารถเข้าไปในห้องแล้วก็รอคิวถามคำถามได้ถ้ายังตอนนี้ไม่มีคำถามแล้วจะมีคำถามในภายหลังก็สามารถเข้ามาถามได้ในเวลาสองเวลานี้ ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิิศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ